เพื่อพากันตั้งใจเรามาประชุมกันในสถานที่นี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาอบรมจิตนี่แหละให้มันสงบแล้วก็ให้มันมีความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดย่อมเกิดขึ้นจากความสงบ ความฉลาดในทางธรรมย่อมเกิดขึ้นจากความสงบใจความรู้ในทางโลกเกิดขึ้นจากการเรียนการท่องจำความรู้ในทางธรรมนี่เป็นความรู้สำหรับละความยึดความถือความรู้ในทางโลกนั่น เป็นความรู้สำหรับยึดถือเอามามันต่างกันสร้างมันขึ้นยึดถือเอาไว้ไม่ปล่อยไม่วางอันนี้มันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นนความรู้ในทางธรรมนี่จึงยากที่บุคคลอยากแสสนใจ พรบุคคลส่วนมากนั้นมีตัณหาอุปทานอยู่ในใจมากมายความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ยังไม่จบไม่พอยังอยากได้ในสิ่งที่ตนต้องการอยู่มากมายเพราะฉะนั้นมันจึงได้ยึดถือเอาความมุ่งหมายอันนี้ไว้ในใจ เสวงหากันอยู่งั่นแหละมันก็เป็นธรรมดาของโลกเกิดมาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็ต้องแสวงหาเนย <c oughs> แต่สาหรับผู้เป็นนักบวชแล้วมันแตกต่างกันผู้เป็นนักบวชนี่ ต้องเพียรพยายามสละออกให้หมดไม่ใช่เพียนเสวงหามามันตรงกันข้ามเพราะว่าความเป็นอยู่มันแตกต่างกันความเป็นอยู่ของนักบวชนี่เรียกว่าเป็นอยู่แบบง่ายง่ายคือสันตุถีตามีามได้ ใครมีศรัทธาบริจาคอะไรถวายอะไรเมื่อไม่ขัดต่อท ร, รมิยัยเราก็รับไปบริโภคใจสอยไปถ้าขัดต่อท ร, รมวินันแล้วก็ไม่รับ <c oughs> แต่พูดถึงธรรมะอันลึกซึ้งลงไปแล้ว มันมีความหมายเหมือนกันถึงจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามทุกคนนี่ปฏิบัติทำทาง จ, จิตใจก็จำเป็นต้องปล่อยต้องวางทุกอย่างจะไปถือมั่นไว้ไม่ได้ในขณะทำสมาธิภาวนา ก็ต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างและส่วนออกจากสมาธิภาวนาไปนั่นใครจะไปทำหน้าที่อะไรของใครก็ทำไปตามหน้าที่ส่วนการนั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีระดับเหมือนๆกันระดับความรู้สึก ต้องปรงต้องวางลงไปใจจึงจะสงบลงได้ถ้าไม่วางอารมณ์ภายนอกเสียก่อนอย่างนี้ใจจะรวมลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะถึงกำหนดใจให้ดีกำหนดใจไว้ภายใน เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ภายในนึกในใจว่าในขณะนี้เราจะไม่คิดอะไรเราจะหยุดคิดจะตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เอาอะไรในขณะนี้นึกในใจอย่างนั้น แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกโยหายใจเข้าก็รู้กำหนดรู้ความรู้อันนั้นหายใจออกก็กำหนดรู้ความรู้อันนั้นแหละเป็นอารมณ์โยหมายความว่าเอาจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ไม่เอาอย่างอื่นเป็นอารมณ์ พอเรามุ่งให้จิตนั้นมันหยุดคิดให้มันสงบเนื่องจากเห็นโทษแห่งความคิดคิดมากไปเท่าไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นหยุดคิดเสียได้ก็สบายใจดี ลองสังเกตเทียบกันดูก็ได้ความคิดนี่เมื่อคิดไปเจอเอาเรื่องที่ผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอย่างนี้ก็ยิ่งโทมนัดคับแค้นใจนั่นนะเพราะว่าเรื่องสมหวังเรื่องผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน มันก็มีสิ่งผิดหวังกับมีสิ่งสมหวังสลับกันมาอย่างนั้นแหละการแสวงหาอะไรต่ออะไรในโลกนี้แม้แต่การทำสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราปฏิบัติตรงไปแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังที่ตนคาดคะเนวไว้ อย่างนี้นี่มันยากอยู่บางอย่างก็เป็นไปได้บางคราวก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องกำหนดรู้เท่าไว้ถ้าไม่รู้เท่าอย่างว่านี่ล่ะเวลาทำจิตลงไปจิตไม่ยอมสงบก็ทอใจซะว่าตนนี้ไม่มีวาสนา ที่จะทำสมาธิภาวนาได้แล้วอะไรหยุดไม่ภาวนาต่อไปไออย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยก็เพราะใจไม่สงบนั่นแหละท่านยังสอนให้ภาวนาถ้าใจสงบมาแต่เดิมแล้วก็ไม่จำเป็นเลยต้องไปภาวนาต้องเข้าใจอย่างนี้ เพราะใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเนะี่ยมันเป็นทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกจิตนี้ให้มันสงบลงไปจากกิเลสต่ังๆอันมารบกวนใจไม่ให้สงบได้นะั่นน่ะกิเลสอะไรทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองว่าในใจนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีกิเลสอะไร มารบกวนใจให้ฟุ่งสร้างเลื่อนลอยนี่เราต้องรู้จะให้คนอื่นมารู้ให้ไม่ได้หรอกตัวเองแหละรู้เรื่องของตัวเองตัวเองจะรู้ได้เพราะาจิตมันหยุดนิ่งอย่างว่านั่นแหละต้องทำจิตให้หยุดนิ่งไม่ให้มันคิดส่งไปในอดีตอนาคต แล้วก็รู้ได้แหละเพราะว่ากิเลสอะไรมีอยู่ในภายในนี่มันจ ะ, สะแสดงบทบาทออกมามันจะปั่นจิตใจให้วันไว้เมื่อรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไปตามมันสะกดจิตไว้มันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนา ผู้ต่อสู้ครับกิเลสผู้ที่ไม่ยอมไปตามอานาจของกิเลสกิเลสมันปันจิตให้คิดไ ป, น, น, ไปนู่นไปนี่ก็ไม่ไปตามมันเราจะอยู่ในปัจจุบันนี้แหละจะไม่ไปอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเพราะมันไปมาพอแรงแล้วไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ หยุดลงได้ละจิตนะั่นน่ะเพราะมันรู้ความหมายของตัวเองน่ะตัวเองมุ่งความสงบแท้ๆการนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้มุ่งอย่างอื่นในตอนต้นเนี่ยมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเลยทีเดียวมมเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็าจะไปทอถอยทำไมอะ่ะ <c oughs> จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมมุ่งให้ใจสงบเมื่อใจมันยังไม่สงบก็ไม่ถอยมันมันต้องเป็นอย่างนั้นถอยไปมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เมื่อใจไม่สงบแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายแต่อยู่ภายในใจเท่านั้น มันยังแสดงออกมาทางกายทางวาจาอีกด้วยไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเข้าให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปผู้ที่ใจไม่สงบแล้ว ม, มักจะเป็นอย่างนั้นแหละชอบพูดมากไม่พูดยังไงล่ะภายในใจนี่มัน <c oughs> ตั้งใจควบคุมจิตให้ดีเราทาการงานอย่างอื่นเราก็ยังสู้เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะว่ามันไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่มันยอมเที่ยวไปหาหญ้ากินเจ้าของก็ต้องคอยควบคุมไปเรื่อยมาให้มันไปเหยียบยำ่ำ เข้ากล้าในนาของคนอื่นริ่นกัดยุงกินยังไงก็สู้ไปอยู่อย่างนั้นแม่ทำการงานอย่างอื่นเช่นตัดไม้ถากไม้เลื่อยไม้อะไรพวกนี้ร่วนแตน่ยากลำบากทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ยังสู้กัน ทำไรทำนาโมนี่ต้องวานต้องคาดต้องใช้ต้องปักดํา <c oughs> ต้องฉีดยากันแมลงอะไรต่ออะไรต้องรักษาปลนเปือยอย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวนี่งานต่างๆโมนี่นะมันยังทํากันทํากันไม่ท้อไม่ถอยจนได้รับผล มาหล่อเรียงชีวิตให้เป็นมาแต่บางคนก็ว่ามันจำเป็ น, นทำโดยจำเป็นถ้าไม่จำเป็นจะไม่ทำเลยเพราะมันยากลาบากจริงๆก็การปฏิบัติธรรมนี่จะถือว่าไม่จำเป็นอย่างนั้นเหรอนี่แหละต้องคิดดูให้ดีก็การปฏิบัติธรรมนี้ก็จองตรงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น ต่อชีวิตเพราะว่าเมื่อบุคคลมาปฏิบัติธรรมชำละจิตใจให้ผ่องใสสะอาดแล้วมันก็มีความสุขสม่าเสมอไปยืดยาวนานซึ่งไม่เหมือนการงานภายนอกที่บุคคลทำด้วยความยากลำบากแล้วนั้นเมื่อได้ผลมามันก็อํานวยความความสุขให้ชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่ายั่งยืนอะไรมันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นแต่คนก็ยังสู้ยังเสวงหากันก็เพราะมันจำเป็นแก่ชีวิตถ้าไม่เสวงหาอย่างนั้นชีวิตก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละก็ให้ดึกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรม ให้เคดให้มีขึ้นในใจทมก็จะไม่รักษาจิตใจนี้ให้สงบให้สบายให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมไปได้ใจนี้เมื่อไม่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามันก็คิดเล่ห์ล่อนพระนจรไปแสวงหา สิ่งที่ตัณหามันบังคับให้ชอบใจนั่นแหละก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อนกันพวกที่ใจไม่สงบแล้วบ้านเรือนตัวเองสร้างไว้หลังใ ห, ใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตัณหามันปั่นเอาเดี๋ยวก็ต้องออกจากบ้านไปหาสังคมไปเที่ยวชมรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตน ชอบอกชอบใจอุปมาเหมือนอย่างมาแมลงคู่เที่ยววินเตอมเกสรดอกไม้ตอมไปต้นนี้แล้วผนวินไปต้นใหม่เลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยคราวนี้พอถึงฤดูดอกไม้เราโรยก็ไม่ได้สูดไม่ได้ดมแล้ว ก็หิวอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลแสวงหาของไม่เที่ยงไว้ย่งยืนอันพอได้มาแล้วของสิ่งนั้นมันวิบัติแปลโปรนไปก็ไม่ได้บริโภคใช้สอยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ย่อมรู้ได้อืม ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละแต่ว่ารู้แล้ว ม, มันถัาไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงมันจึงไม่เบื่อนายเมื่อมันไม่เบื่อนายมันก็ยึดถือเท่านั้นเองเนี่ยใจเนี่ยมันก็ยึดถือเอาไว้เป็นอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่อนายเพื่อคลายความยึดความถือไม่ใช่ปฏิบัติทำเพื่อเอาอะไรไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะถือเอาเป็นแก่นเป็นสารเช่นในอัสภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปตลอดทุก กวัยวะในร่างกายนี้เพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารที่จะมีความยินดีพอใจที่จะให้ยึดให้ถือเอาไว้ได้ตลอดกาลนานถึงยึดถือไว้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันแ ป, ปนกแปรปรวนไปถึงเวลามันแตกดับ มันก็แตกดับไปอยู่อย่างนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพราะฉะนั้นแหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้เรามีอุบายแยกภายทีแรกเมื่อยังไม่รู้แจ้งสิ่งใดก็กำหนดพิจารณาดูสิ่งนั้นเสียก่อนคล้ายกับว่าถือเอาไว้ก่อน พ อ, อยังไม่รู้แจ้งถือเอาไว้แล้วก็พิสูจน์แบบนี้นะเพ่งพิจารณาดูพอเห็นแจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์ ในอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่อันนี้ก็ดีนอกอวัยวะร่างกายนี้ออกไปก็ดีไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์อย่างกิงจังจะมีกรรมสิทธิ์ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองคันอยู่ไปแล้วก็ต้องพลัดพากจากกาันไปทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็แตกดับทำลายลงดวงกิดก็เล่ล่อนไปหาที่เกิดไหม ถ้าถ้ายังละอุปทานไม่ได้เนะี่ยทรัพสมบัติเงินทองก็เป็นของผู้อื่นไปผู้ใดยังไม่ตายก็ใช้สอยบริโภคไปหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ก็เป็นของผู้อื่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้โลกสนิวาสอันนี้ไม่ใช่ของผู้ใดใครจะมาผูกขาดเอา ว่านั่นของเรานี่ของเราจริงจังนั้นไม่ได้ดอกอย่าไปหลงไหลอย่าไปจมอยู่ในความคิดความเห็นดังกล่าวมานั้นเลยพยายามถอนตนออกจากความคิดความเห็นเหล่านั้นเรื่อยไปแหละผู้ปฏิบัติธรรมก็เมื่อพิจารณาดูอะไรเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้ว ก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพแ ต, แต่แต่ละเราก็ต้องอาศัยมันอยู่นั่นแน่อาศัยมันแต่รู้เท่ามันไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเพียงแต่อาศัยประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในดวงจิตนี้เท่านั้นเราไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่ออะไร ก็กำหนดในใจอย่างนี้อเมื่อผูใ้ใดกำหนดในใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากในเมื่อร่างกายอันนี้มันสุดโท ม, มันวิบัติลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนออุปมาเหมือนอย่างอาคารบ้านเรือนก็ตอนเป็นผู้สร้างขึ้นมาบางทีมันก็ เมื่อยังไม่มีเงินทองมากมันก็ต้องสร้างด้วยเครื่องไม้อันไม่ถาวรนะเช่นเสาไม้ไผ่ฝาแถหตองมุงด้วยหญ้าคาอะไรมวกนี้นะอันเจ้าของบ้านก็รู้รู้ว่าบ้านนี้ไม่ถาวรอ่าอย่างนี้แหละขั้นอยู่ไปอยู่ไปมันชำรุดทุดโทมไป ก็ไม่ได้เสียใจเศร้าโศกอะไรหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ทําชั่วคราวอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นในระหว่างที่อาศัยบ้านชั่วคราวอยู่ก็ขยันทําการทํางานรวบรวมเงินทองไว้ให้ได้มากมากมเท่าที่จะมากได้ทีนี้เมื่อรู้ว่าบ้านหลังนี้มันชนํารุดแล้วก็รีบ ใช้จ่ายเงินทองไปสร้างบ้านที่ถาวรอาศัยอยู่ต่อไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบ้านอันในโลกนี่แม่บุคคลใดจะสร้างถาวรยังไงบ้านถาวรแต่อัตภาพร่างกายนี้มันไม่ถาวรบัดนี้ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเป็นอย่างนั้นบัดนี้ เมื่อเวลายังมีกำลังกายดีอยู่เนี่ยบุญกุศลยังอุปธรรมบำรุงร่างกายอันนี้อยู่ก็รีบเร่งสะสมบุญกุศลเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเหมือนยังบุคคลอาศัยอยู่บ้านไม่ไผ่นั่นเนี่ยรู้ว่าไม่ถาวรแลว้วก็รีบเร่งทา งานการให้รวบรวมเงินทองเข้าของให้ได้มาเพื่อจะได้สร้างบ้านถามวลอยู่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าอัตภาพร่างกายนี่นะี่จะต้องอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยอยู่ยั่งยืนนานที่ไหน เมื่อเวลามันมีกำลังกายเลี้ยวแรงเป็นปกติอยู่ดีอยู่เนี่ยก็ใช้มันทำกุศลคุณงามความดีใช้มันทำการทำงานเมื่อได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้าง เ, าเพื่อสั่งสมบุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในไว้รีเร่ง สำรวมระวังในศีลเข้าไปทำํำศีลให้บริสุทธิ์พดจดไปชําระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆหาหนทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากกรรมต่างๆไว้อคนฉลาดมันต้องเป็นอย่างนั้นคนไม่ฉลาดทั้งหากลอกอ้างว่ามันจําเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ จนเป็นต้องทำบาปริงโย่ถ้าไม่ฉลาดแล้วมันก็จําเป็นแท้แท้เลยมันก็ได้ทาบาปแต่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนั่นพระองค์สั่งสอนคนมีปัญญามีปัญญาเป็นเป็นทุนเดิมมาแล้วพระองค์มาเพิ่มเติมปัญญาให้ใหม่อีก ผู้นั้นก็เลยมีปัญญาแหลมคมขึ้นกลัวเก่าก็สามารถละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้อือดังนั้นจึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่สำหรับคนมีปัญญาแท้ๆจึงรับเอาไปปฏิบัติตามได้คนมีแต่ศรัทธาเฉยๆนี่มันก็ได้แค่กินๆทานๆไปตามประเพณีเฉยๆเนี่ยอันจะให้ มีความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้สูงขึ้นไปกวนั้นนั้นทำไม่ได้เขาไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะขะจัดกิเลสบาปประธรรมอันหนาแน่นอยู่ในใจนี่ออกไปได้ดังนั้นจึงต้องตกเป็นทาตของกิเลสบาปประธรรมนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปอ้างคนอื่น มาเป็นเกณฑ์ในการละชั่วทำดีถ้าคนนั้นเขายังไม่เห็นละชั่วทำดีอะไรมันก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขได้ไอเราเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างเขานั่นแหละอย่างนี้นี่ไม่ควรอ้างอิงอ่ไม่ควรอ้างคนอื่นมาเป็นแบบแผนเราต้อง อ้างเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านนท์มาเป็นแบบเป็นแผนอ้าพระพุทธเจ้าสอนในคนเรามีปัญญานะไม่ใช่สอนไ ป, ปเปล่าๆโดยผู้ฟังไม่ได้เกิดความรู้ความฉลาดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี้ก็ในหลักแห่งการแสดงธรรมของพระองค์ว่าอาการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมมีอยู่สามอย่าง ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น <c oughs> แล้วก็ทรง <c oughs> สั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามเห็นจริงได้ข้อสามนั้นทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติดังนี้ อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนน่ะมันมีอยู่สามอย่างอย่างนี้แหละอย่างนั้นจุดปุ่งหมายของพระองค์ในขั้นต้นนั่นก็ทรงประมวลเอาความรู้ที่พระองค์เจ้าได้รู้แช้งเทงตลอดนั่นมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทผู้ฟังนั้น่ะได้เกิดความรู้ ได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงซึ่งมีอยู่ในอัตภาพร่างกายนี้พร้อมมูลทุกอย่างอยู่แล้วทำของจริงนั่นนะเช่นอย่างทรงแสดงธรรมมีเหตุอย่างนี้นะเส้นทรงแสดงว่าตัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็น่าเอาไปคิดอยู่แล้ว เมื่อไปคิดพิจารณาดูแล้วมันก็เห็นเห็นจริงแท้ะสําหรับคนไม่ละเอียงไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสแล้วมันก็ต้องเห็นจริงแหละเห็นว่าตัญหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้จริงๆเป็นอย่างนั้นพราะคนเราที่จะดินน้นรนขวนขวายอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกนี่ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยยอมวางการแสวงหานี่ ก็เพราะตัณหานี่เองเนี่ยมันครอบงำจิตใจให้เกิดความอยากความหิวตลอดไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้นะบางคนนะมาเห็นโทษแห่งตัณหาความทยานอยากนี่แล้วก็พยายามตัดทอนความอยากนี่ให้เบาบางลงไปด้วยการ ยึดเอาทำคำสอนของพระเทเจ้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติอายึดเอาทานมาเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติใจทานเพื่อก็จัดความโลภความหวงแหนความตนีออกจากหัวใจนี่ไปยึดเอาศีลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ สมัทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมไม่ยอมสลสักศีรักษาสำรวมกายวาจาไวให้ดีไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่ตอนสมัทานมาแล้วนั้นเพื่อถากัดกั้นความโกรธความพยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ เบาวางอกไปจากกิจใจ ส, สมทานมั่นอยู่ในการไหวพระสวดมนภาวนาในเมื่อเรายังมีกําลังกายกาลังศรัทธาแข็งแรงอยู่อย่างนี้เราจักไม่ทอดหอยลงไปอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจ ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปตามการเวลาที่เราตั้งไว้เวลาไหนที่เราควรจะทำข้อวัดเหล่านี้ก็กำหนดไว้เมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วก็ต้องเข้าที่ต้องสละการงานอย่างอื่นทั้งหมดเช่นนี้แหละเขจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ มีความสาัดความจริงใจต่อข้อวัดปฏิบัตินั้นเมื่อเราภาคเพียนพยายามหวพระภาวนาฝึกจิตใจที่ไม่สงบให้มันสงบลงไปนี่มันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราภาคเพียนเพ่งพินิษเข้ามาภายในนี่บ่อยๆไม่ปล่อยให้จิตทิสร้านไปภายนอกโดยส่วนเดียว พยายามน้อมเนียวสติสัมปชัญญะนี่ระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะเมื่อสตินี่มันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตนี่ก็จงสงบลงได้ทันทีเลยที่จิตสงบไม่ได้เพราะสติยังเข้าไปไม่ถึงจิตเพราให้เข้าใจลองทำดูทําไม่เชื่อนะ ผู้ใดทาผู้นั้นจะรู้เองเนี่ยรู้ว่าเมื่อตอนน้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อสติเป็นอย่างเข้าไปถึงจิตจิตที่จะสงบลงทันทีแล้วก็รู้ได้เลยเออนี่จิตนี่มันสงบอยู่ได้เพราะอาศัยสติแท้ๆมันก็รู้อย่างนี้แหละ ก็มันรู้เช่นนั้นะ แ, แล้วก็ควบคุมสติตนเองน่ะควบคุมสติให้ตั้งอยู่กับจิตให้กำหนดรู้จิตอยู่รู้จิตกับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเช่นนี้แล้วใจมันก็สงบลงได้ถ้าจะไปทำวิธีอื่นนั้นก็ตาม แต่จริตของบุคคลหรอกถาผู้ใดจะทำอุบายแยกภายทำใจให้สงบโดวยวิธีอื่นก็ทำได้เส้นผู้ที่ชอบง่วงเเงาหา้านอนเอานั่งภาวนาเข้าไปแล้วมีแต่ง่วงมีแต่ซึมอย่างนั้นนี่มันมันถูกกันกับการบริกรรม การนึกพุทธโธพุทธโธบ่อยๆหรือว่ามันถูกกับการพิจารณาการนึกคิดคนที่ชอบง่วงเหงาหานอน่ะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรบ้างนี่เราก่อนนึกคิดเมื่อจิตมันเห็นแจ้งใน พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นว่าปเป็นเสดจริงๆมันก็เกิดปีติขึ้นมาเมื่อปีติบังเกิดขึ้นแล้วความง่วงก็หายไป เ, เป็นอย่างนั้นเรื่องมานะหรือว่านึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทํามาเป็นอารมณ์ว่าเรานั้นก็ได้ทํากุศลคุณงามความดีมานานแล้วเหมือนกัน ทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษามาการบำรุงวัตวาศาสนาอะไรตนก็ได้ทำมาไม่ได้ย่อท้อต่อการตนุบำรุงวัตวาศาสนาเมื่อนึกทบทวนดูคุณงามความดีที่ตนกระทามาจิตนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นแหละ อ๋อจริงนะเราได้ทำบุญกุศลความดีต่างๆมามากพอได้เหมือนกันนะจิตก็ชื่นบานต่อบุญต่อคุณอนนั้นความง่วงเหงาหานอนมันก็หายไปนี่แหละอุบายขจัดความง่วงเหงาหานอนให้พึ่งพากันจำเอาอุบายเหล่านี้ไว้ แล้วหากว่าภาวนาไปมันเกิดง่วงขึ้นมาก็ให้ใช้อวัยแยบใครย่างต่างหมนี้ไปก่อนอย่าพิ่งไปน้อมสติเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นแล้วเพ่งเข้าไปเท่าไดมันก็ยิ่งเคลิมหลับไปเท่านั้นแหละธรรมดาคนง่วงนี่พอน้อมจิตเข้าไปหาความสงบเท่าไหร่ เข้าไปเท่าไรมันก็เคลิมหลับไปเท่านั้นเองมันจะไม่เบิกบานอยู่ได้แต่ถ้าผู้มีสติแก่กล้าจริงๆผู้มีความอาจฐานจริงแล้วมันก็สู้ได้เหมือนกันเลยอ่อเอาเราจะตั้งสติเข้มแข็งเราจะตั้งใจให้กล้าหารจะไม่หวาดหวันต่อความง่วงเหงาเมื่อ น, นึกได้อย่างนี้แล้วก็กําหนด ใจให้มันแน่วแน่กล้าหาญความง่วงมันครอบครอบงามเข้ามาเราก็ไม่วันไว้สะกดใจนี่ไว้สะกดกายอันนี้ไม่ให้มันเออ่ไม่ให้มันโอนเอ็งไปทางอื่นให้มันตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะถ้าเราสู้ด้วยความอดกัน้นด้วยสติ โดยความเข้มแข็งอย่างว่านี่นี่ไม่ถอยแล้วความง่วงมันก็คลายออกเหมือนกันนะความง่วงมันก็คลายออกไปจากกายจากใจนี้ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยถ้าหากว่าไปท้อถอยเสียแล้วบุญกุศลบา ร, รมีธรรมก็ไม่แก่กล้าสักที ก็มักจะหดน้อยถอยลงไปแหละบุญกุศลเน่จะทำได้ก็แต่บุญหยาบๆเช่นการนขนนไยในการให้การบริจาคทานวัตถุสิ่งของไปรักษาศีลไปสำหรับผู้มีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทางภาวนาการที่จะมาทำใจสงบจากนิวรทั้งห้า ไปไม่รอดอืมอย่างนี้นี่ยก็ทำให้สติปัญญาความรู้ความฉลาดอันสุขุมลุ่มลึกนั่นบังเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดให้ออกไปจากกิจใจได้หรือกิเลสอย่างกลางก็ละไม่ได้อือ ว่าอย่างละได้ก่อนละได้ตะกิเลศท่านหยาบหยาบนั้นเท่านั้นเองในเรื่องอย่างนี้มันก็อย่างว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่แต่ละบุคคลกระทามาตั้งแต่ชาติปางกรแต่ชาติปางกรผู้ใดได้ได อบรมสั่งสมบุญกุศลมามากผู้ใดมีความภาคเพียรพยายามมาแต่ก่อนเป็นอุปนิสัยปัจจัยติตามมาผู้นั้นก็ไม่ย่อท้อต่อกิเลสจะต้องต่อสู้กับกิเลสเรื่อยไปเพราะมานึกเสียว่าแต่การงานแต่การงานอย่างอื่นตนเองก็ยังสู้ บทีการงานเกี่ยวกับการชำระกิเลสบาปประทรรมอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจนี้ไม่ชอบทำไม่อยากทำอย่างนี้นภานภาเป็นความสะเพร่าของผู้นั้นจริงๆความสะเพร่าอันนี้เนะี่ยมันก็เกิดจากความประมาท ความไม่ใส่ใจในคำสอนของอุปัฏฐาเจ้านั่นแหละความไม่สนใจในการฟังให้รู้เหตุรู้ผลของชีวิตตามความเป็นจริงนี่ความไม่รู้แจ้งในเหตุผลของชีวิตนี่แหละสำคัญมากในชีวิตของคนเรานี่นะเพืเมื่อมันไม่รู้แจ้งอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักทางแก้ไข ชีวิตนี่มันยุ่งเหยิงอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันยุ่งเหยิงอยู่ยนั่นแหละเพราะไม่รู้จักทางแก้อื่เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังคําสอนของผู้เจ้าเข้าไปจึงค่อยเห็นรูเห็นทางแก้ไขอผู้นั้นจึงมีความเต็มใจในการที่จะปวดเปลือง ความยุ่งเหยิงต่างๆแห่งชีวิตนี่นะให้มันเบาบางออกไปหมายความว่าให้ความยุ่งต่างๆมันเบาไปเรื่อยๆมันยุ่งเพราะอะไรละ่ะชีวิตนี้ยุ่งเพราะความโลภยุ่งเพราะความโกรธยุ่งเพราะความหลงความเมตต์ผิดเป็นชอบต่างๆนี่นะกิเลสสามกองนี่แหละ ทำให้ชีวิตจิตใจในี่ยุ่งเหยิงมาก <c oughs> ทีนี้ผู้ใดามาศึกษารู้จักอุบายวิธีกำจัดกิเลสสามกองนี่ซึ่งมันทำก่อให้เกิดชีวิตยุ่งเหยิงเนี่ยดังแสดงให้ฟังมานี่แล้วแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้ว มันก็ปลดเพื่อความยุ่งเหยิงของชีวิตนี่ให้ออกไปได้เป็นเปาะเป็นเปาะออกไปเลยอ้อาวปลดเรื่องนี้เปาะนี้ออกไปได้ก็ยังเปาะอื่นก็เพียรพยายามปลดเรื่อยไปก็เมื่อเราละกิเลสไปได้แต่และอย่างละอย่างนะ มันก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นจากการละกิเลสนั่นแหละขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าละกิเลสแล้วไม่ได้อะไรตอบแทนนะเออก็ได้บุญกุศลนั่นแหละตอบแทนนะได้ความเบิกบานใจได้ความเบาใจนั่นแหละเป็นผลตอบแทนนะเช่นอย่างว่าผู้ใดมาละความโลภ ความตนีด้วยการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะอะผู้นั้นก็ได้ความเบาใจจากความโรคความตณีความหวงแหนนั้นจริงๆหลยแต่เมื่อยังยังไม่มีศรัทธาให้ทานนั่นเมื่อได้เงินทองเข้าของอะไรมาก็มาหวงไว้ามาห่วงกลัวว่าเงินทองเข้าของนั้วมันจะร่อยหลอไปมันจะหมดไป กลัวโจรขโมยมันจะมาจี้มาพร้นมาลักเอาไปนักใจอยู่ทีเดียวเหมือนอย่างเอาหินนักลักมาทวงคอตัวเองอยู่นั่นแหละคันพอมีศรัทธาให้ทานออกไปสมบัติเข้าของอันใดได้จำแนกแจ ก, กทานไปสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ใจหนักหน่วงเลยฮะนี่ มีแต่ทำให้ใจปลอดโปรง่งเมื่อนึกถึงผลทานการกุศลที่ทนได้บาเพงเวลาใดก็ทำใจให้เบิกบานผ่องใสขึ้นมาใจเบาใจปลอดโปรง่งไม่นักหน่วงเหมือนแต่ก่อนอก็อย่างนี้และคำสอนของพุทธเจ้านะ่ะข้อที่ว่าทรงสั่งสอนมีเหตุ ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้นั่นแหละก็ทรงสั่งสอนมีเหตุแหละเพราะคนเราเนะมันมีความโลภอยู่ในใจเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดทุกขนาประการดังนั้นพระองค์เจ้าจึงหยิบยกเอาความโลภความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออะไรต่ออะไรในโลกนี้นะมาแสดงเนี่ย มาที่แจงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าโลภโธรร ม, มานางปริปันโถคนหนความโลภเป็นอันต ร, รายแห่งธรรมทั้งหลายนี่พระองค์เจ้าจึงยกหัวข้อพอาสิทิ์นี่มาแสดงไว้ว่าความโลภนั่นเป็นอันต ร, รายแห่งการปฏิบัติธรรมพูดกันง่ายๆ เมื่อบุคคลผู้มีความโลภอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้อืแม้จะไปวัดไปวาอารามก็ไปไม่ได้กลัวทรัพย์สมบัติมันจะหายอือย่างนี้แหละก็เลยไม่ได้ปฏิบัติทําไม่ได้ฟังทำไม่ได้ทํากิจวัตรต่างๆไม่ได้สํารวมอินทรีย์ให้สงบระ ง, งับอืราะอยู่ในบ้านนั้น มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรสารพัดเมื่อหาความสงบระงับได้ยากนั่นแหละวัดวาอารามนี่เป็นลำมริยสถานเป็นสถานอันอึนลมเป็นสถานที่สงบสงัดพอสมควรผู้ใดได้เข้ามาสู่วัดวาอารามนี่แล้วก็จะได้ความ สงบความเย็นใจไม่มากก็น้อยทีเดียวดังนั้นผู้ใดละความโลภได้ได้ยินยีในการบริจาคทานก็จึงได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวา่าแสวงหาความสงบระงับทางกายวาจาใจได้พอสมควรทีเดียว ผู้ใดยินดีในการรักษาศีลเมื่อมีศีลห้าแล้วก็ยังไม่จุใจก็มาสมทานศีลอวบสดเข้าไปมารักษาชมทานรักษาอวบสดศีลชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้นะมันก็ทำให้จิตใจนั่นปลอดโปร่งเข้าไป เพราะว่าการรักษาสินอวสตสถนี่เป็นการสำรวมอินทรีย์กคือตาหูจมูกกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นเช่นนี้ละจิตใจของผู้นั้นเมื่อมันความยินดียินร้ายมันระ ง, งับไปใจก็เบิกบานทองใส กัวเก่าเลยทีเดียวและแบบนี้นะอ่าเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้สงแห่งการรักษาโบสดินเนะ่ก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> แถมเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปก็ยิ่งประดับความรู้ความฉลาดให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่เคยคิด คิดไม่ถึงเมื่อได้ฟังสั้นแสดงไปแล้วก็จําได้ก็รู้ได้เ อ, อเรื่องนี้เรายังคิดไปไม่ถึงเลยมานี้ก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระธรรมคาสอนของพระตุยเจ้านี่นะ่ะจึงได้ชื่อว่าเป็น เรื่องแก้ปัญหาของชีวิตนี่ได้จริงๆชีวิตนี่ถึงมันจะยุ่งเหยิงเท่าไร่เท่าไรเมื่อบุคคลได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นี่นะความยุ่งเหยิงในชีวิตนี่ก็จะค่อยเบาบางออกไปเรื่อยๆจะได้ความสงบระ ง, งับภายในจิตใจ จะได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเช่นรู้จากทุกรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอย่างนี้นะเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายมา อ, อ่ก็มีความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาน่้นได้เพราะว่าได้ภาวนาได้พิจารารู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไปนตามใจหวังถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะบังคับไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเอานี่เพราะว่าเราไม่สามารถจะบังคับมันได้แล้วก็วางตามสภาพของมันแล้วก็มีอด มีความอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งอของร่างกายซึ่งมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้แหละแล้วก็อดทนเอาเพราะทำอย่างไรได้ตนหักหลงม า, า ม, ล ม, ามาอาศัยมันอยู่แล้วเมื่อใดมาอาศัยมันอยู่แล้วอย่างนี้ก็ต้องอดเอาทนเอาแหละถ้าจะไปฆ่าโทรตายเสียก็ยิ่งเป็นกรรมเป็นเวร เรต้องทําความรู้เท่าควรไปอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าอาการที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนข้อที่สามข้อที่ว่าทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติคือทําให้เกิดความรู้เท่าทุกขึ้น เวลาทุกเกิดขึ้นในสังขารร่างกายอันนี้จิตก็ไม่วันไหวแต่ก่อนมานั่นเจ็บอะไรน้อยหนึ่งปวดอะไรน้อยหนึ่งก็เป็นทุกข์หลายจิตใจก็วันไหวสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในใจ วันนี้พอมารู้แจ้งในทุกนี่ตามเป็นจริงอย่างว่านั่นแล้วจิตไม่วันไหวอดได้ทนได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะว่าขันห่านี่ไม่ใช่ของเราเราจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทําไมก็ปรงมันลงวางมันลงอย่างนี้นะออความทุกข์ใจของคุณนั้นก็เบาบางไปทีเดียวมีแต่ทุกข์กายแบบ น, นี้น่ะทุกข์ใจไม่มี มีก็น้อยลง ก, ก็นับว่าได้ผลคุ้มค่าแล้วไม่ใช่หรือผู้ปฏิบัติถ้าหาว่าทำใจได้อย่างว่านี้นะออความทุกข์ทางใจบรรเทาลงนี่จุดมุ่งหมายของการทำบุญกุศลปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้เองนะก็เพื่อให้ความทุกข์มันเบาบางจากจิตใจนี่เองเลย เราจะไปให้ทุกนี่เบาบางจากร่างกายนัไม่ได้ต้องให้ทุกนี่เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จึงถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนแหละทุกทางจิตนี้ต้องเบาบางออกไปก็นับว่าได้ผลคุ้มค่าไม่ใช่หลือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพุทธบริษัทได้สะดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการที่เราจะทำบุญกุศลหรือปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้นั้นมันก็อาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นเบื้องต้นเลย เชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราจะต้องได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนความทุกข์จะกว่าวางออกไปจากจิตใจของเราแน่นอนทีเดียวเมื่อได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างนั้นแล้วมันก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วกับประกอบกับคุณธรรมอื่นๆด้วย โดยเฉพาะเรื่องปัญญานั่นแหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะ่ะคุณธรรมอื่นๆมันก็เกิดไปตามกันเช่นความอดความทนดังกล่าวมานั่นแหละก็เกิดมีขึ้นความเพียรก็เกิดมีขึ้นอ่อย่างนี้แหละเมื่อความภาคเพียรพยายามมีขึ้นแล้วกิเลสมันก็เบาบางออกจากกิจใจนี้ไปเรื่อยเลอเหมือนอย่างคนรา้ย่านะั้น เพียนพยายามไดไปได้ไปหญ้ามันก็เตียนไปเตียนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเน่เพียนไม่ถอย อ, อมันก็เตียนไปหมดไร่หมดสวนนั่นนะดังแสดงมา